บุกทูสามสิบสี่ที่ร้านอาหารสองดาเรสตูรอนโดขอน้าแอปเปิลครับเยชออบซีบลฟนขอน้ามะนาวครับ یک ลิมูนอดโลดฟานขอน้ำมะเขือเทศครับ یک آ อ گ บ ج ญเจฟารังยีโฟนผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับ یک ل ลีว ن นช ا ب ร ر บเตอร์มฟนผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับ یک ل ลีว ن นช ا ب ร ف บ د ل ฟ ف ดฟน ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับเยชโบทรีชองพ้อยน์ลดฟันคุณชอบปลาไหมครับมอฮิดูสตอรีคุณชอบเนื้อวัวไหมครับ g o สเต e อลดูสตอรีคุณชอบเนื้อหมูไหมครับ g o กูสเต go ุกดูสตอรี ผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์มันเยกกาซอย่เบดูเนกูชต์มีข้ห้มผมต้องการผักรวมหนึ่งชุดมันเยกดารฟิับซีมีขหมผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานกซอยมีข้ห้มเคชาฮียเออนซียอดทูลนกชั คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับกาซาโรบอเบรนจ์มีขะฮีดคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครั บ, ก, บากาซาโรบอมาคคาโรนีมีขะฮีดคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับกาซาโรบอซีบซามินีมีขะฮีดรสชาติไม่อร่อย قضا خوشمزه نیست อาหารเย็นชื่อด์กาผมไม่ได้สั่งจานนี้ม ن นอินกาโซโรเซฟอรกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e